ถามเรื่องการใส่ห่วงในกรณีที่มารดาต้องการคุมกําเนิดโดยการใส่ห่วงโดยที่เจตนานั้นไม่ต้องการมีบุตรแต่ไม่มีเจตนาจะฆ่าตัวอ่อนในกรณีนี้จะเป็นกรรมหรือไม่อย่างไรกอตัดสินด้วยเจตนาอย่างที่ว่าไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายอาจทำไปเพราะไม่รู้แล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นตายไป คล้ายกับการจะเป็นการทำให้คนตายโดยประมาทแต่ที่จริงเป็นการทำให้คนตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไรก็ตามในกรณีอย่างนี้ถ้าจะพิจารณาให้ละเอียดก็ต้องดูที่เจตนาเพราะในกรณีอย่างนี้มีเจตนาด้วยเพียงแต่ไม่ใช่เจตนาที่จะฆ่าโดยตรงเจตนาอาจต่างกันได้ เจตนาที่ไม่ต้องการมีบุตรนั้นอาจเป็นเจตนากีดกันไม่ให้เขามีชีวิตอยู่ได้ต่อไปหรือเป็นเจตนาแบบป้องกันตัวเองความต่างของเจตนานี้มีผลต่อคุณสมบัติของกรรมให้แรงหรือเบากว่ากันถามเมื่อมาฟังนี้แล้วก็รู้ถ้าใส่ห่วงอยู่จะต้องไปถอดไหม อันนี้เป็นเรื่องที่คุณหมอเองแนะนำกันได้ก็ อ, อาศัยหลักการนี้แล้วก็ปฏิบัติต้องให้เกณฑ์วินิจฉัยอย่างที่ว่ามาเป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจ